ในโอกาสนี้ก็จะขอแสดงธรรมในลักษณะของการบรรยายธรรมมากกว่าการแสดงพุทธ ม, มเทศนาเพื่อให้เพื่อใหอ้บรรยากาศนั้นนะเกิดไปในลักษณะที่ไม่เป็นทางการเกิดไปนับวันนี้ ตาก็ขออนุโมทนาทางคณะผู้บริหารปลุ่มบริศัททีนะ์ที่ได้จัดการแสดงธรรมนี้ขึ้นมานะโดยอตมาก็ปารถเอาวันปีใหม่นะเป็นจุดตั้งต้นถึงแม้ว่าวันปีใหม่นี่จะผ่านไปแล้วเกือบเดือนนะแต่ว่าก็ยังขึ้นยังอยู่ในช่วงของเดือนแรกของปี เมื่อเราย้อนนึกไปถึงช่วงปลายปีช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายท่านก็คงจะมีความรู้สึกที่ปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานมีความหวังกับปีใหม่คือปี2551นะที่กำลังจะมาถึงาะเป็นธรรมดาเมื่อ วันปีใหม่เ ข, า, ข, า, ขาใกล้เข้ามาแล้วก็มีความหวังว่าจะได้พบสิ่งใหม่ๆในชีวิตล้วก็นิยมให้พรกันเพื่อทำให้เกิดกำลังใจและทำให้เกิดความหวังกับปีใหม่ที่จะมาถึงนั่นคือเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่มาถึงตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปโดยเพราะ เมื่อเราได้รับทราบเกี่ยวกับสภาพปัญหานะทางเศรษฐกิจวัน2วันนี้นะก็มีข่าวทาไมที่ไม่สู้ดีนะักนะโดยเพพาะในบ้านของตลาดหุ้นนะที่สืบเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะจากประเทศอเมริกาที่จริงก่อนนานั้นนะพวกเราคนไทยจำนวนมากก็มีความปริวิตกกับสภาพเศรษฐกิจ อยู่แล้วนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะบรรยากาศอย่างนี้ก็ จ, จะทำให้หลายคนรู้สึกอมองๆไปหรืออาจจะมีความเครียดนะความคิดที่จะหวังให้มีชีวิตใหม่นะหลังปีใหม่ก็ จ, จะบรรเทาเบ า, บาบางลงไป แต่ว่าที่จริงแล้วชีวิตใหม่นะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทศกาลไม่ได้ขึ้นอยู่กับกาลเวลาและที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตใหม่นั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะมีสิ่งใหม่ใหม่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราคนทั่วไปมักมีความเข้าใจว่าชีวิตใหม่ หมายถึงการที่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นในชีวิตและอะไรใหม่ๆนั้นก็ต้องเป็นอะไรใหม่ๆที่ดีเสียด้วยซึ่งก็มักจะมีในพจน์เรื่องของอทรัพย์สินเงินทองที่เราเรียกว่าโชคลาภอาจจะรวมไปถึงสถานภาพตำแหน่งนะรวมทั้งความสัมพันธ์ใหม่ๆเช่นความสัมพันธ์กับคู่รักหรือความสัมพันธ์กับคนที่เรานับถือ นี่คืออะไรใหม่ๆที่เราหวังว่าจะทำให้ชีวิตใหม่เกิดขึ้นได้แต่ในทางพุทธศาสนาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกหรือเราเกี่ยวข้องหรือมีท่าทีอย่างไรกับมันต่างหาก อันนี้ก็หมายความว่าชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่อยู่ที่ว่าเรามองมันด้วยสายตาด้วยทัศนคติที่ใหม่กว่าเดิมหรือเปล่าเรามองมันด้วยมุมมองใหม่หรือเปล่า ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงชีวิตใหม่เราก็มองเราก็หวังว่าจะมีอะไรใหม่ๆแต่การที่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันเลยว่าชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยบางทีแทนที่จะมีความสุขกลับมีความทุกข์มากขึ้นเมื่อสัก67จปีก่อนเนีย ก็มีข่าวว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งในประเทศอเมริกานะถูกสละกกินรวกนะตอตเตรีาวัลที่หนึ่งได้ถึง100ล้านเหรียญนะก็ประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาทเราก็คงจะนึกว่าด้วยเงินจำนวนมหาศาลเช่นนี้เนี่ยก็แทบจะบัรดาลชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นโดยฉับพันทันที เหมือนกับขึ้นสวรรค์นนะโดยที่ไม่ต้องรอให้ตายไปเะ ก, ก่อนแต่ว่าพอเหตุการณ์ผ่านไป5ปีได้มีการไปติดตามความเป็นอยู่ของสามีภรรยาคู่นี้ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสามีนั้นเนี่ยตายเพราะโรคสุราเรื้อรังก่อนหน้านั้นสามีภรรยาคู่นี้ก็หย่าขาดจากกัน ตัวภรรยายเองก็แยกไปอยู่นะในคืลือหาดซึ่งภายหลังตัวเองก็ตายอย่างโดดเดี่ยวในคืลือหาหลังนั้นไม่มีเพื่อนนะทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ชนี้ขึ้นมาไดนะ้การที่เรามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตบางครั้งเนี่ยมันกลับทำให้ชีวิตนี้ถดถอยแทนที่จะมีความสุขกลับมีความทุกข์ตราบใดที่จิตใจ หรือว่าทัศนคติของเราไม่เปลี่ยนแปลงเรายังมีเรายังเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยความคิดแบบเดิมๆเมช่นคิดว่าเงินคือพระเจา้าหรือคิดว่าถ้าฉันรวยแล้วฉันก็ไม่ต้องพึ่งพามิสหายเพื่อไม่มีความหมายเพราะฉันกลายเป็นเศรษฐีแล้วไม่มีอะไรจะทําให้ฉันมีความสุขได้นอกจากเงินก้อนนี้มีเงินแล้วก็ต้องใช้ เสร็จแล้วก็ลงเอยด้วยการที่กลายเป็นโรคสุราเรื้อรังนะแล้วก็ตายอย่างโดดเดี่ยวเพราะไม่มีเพื่อนแม้จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะเป็นทรัพย์สินเงินทองโชคลาภวาสนาแต่ถ้าใจเรายังเป็นใจแบบเดินๆใจแบบเก่าๆนะสิ่งที่เราได้รับมันก็อาจจะกลายเป็นทุกขลาบที่นำพาชีวิตเราเข้าสู่ความตกต่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราต้องการชีวิตใหม่สิ่งที่เราควรจะมุ่งหวังไม่ใช่อยู่ที่การแสวงหาหรือเราคอยว่าจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่สิ่ที่เป็นหลักประการชีวิตใหม่คือการที่เราสามารถที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นในจิตใจของเราต่างกันมากนะครระหว่างการมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรากับการมีความเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรา แม้ว่าชีวิตของเราอาจจะเหมือนเก่าวันนี้อาจจะไม่ต่างจากเมื่อปีที่แล้วแต่เพียงแค่เราสร้างความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตใจของเราจงทั้งเราสามารถมองชีวิตในมุมใหม่ชีวิตใหม่ก็สามารถเกิดขึ้นได้คนบางคนนะเป็นพิการ เป็นเวลา20ปีวันๆหนึ่งก็เหมือนกับรอคอยวันตายเพราะว่าไม่สามารถจะรักษาหายได้ชีวิตไม่มีอนาคตแต่และวันหนึ่งเมื่อเขาได้หันมาเห็นคุณค่าของชีวิตได้พบว่าความพิการของเขานั้นเนี่ยมันพิการแต่กายแต่ใจไม่ได้พิการด้วยจิตใจของเราเขาบอกว่าลาออกจากความพิการ หรือแต่ความพิการทางกายจิตใจไม่พิการอีกต่อไปและในช่วงขณะนั้นเองเขาก็พบว่าเขาได้มีชีวิตใหม่แล้วท่งน ท, ที่อยู่ในร่างเกา่าพิการเหมือนเดิมแต่ว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเขากลายเป็นคนที่มีความสุขยิ่งแย่จนใสกลายเป็นที่พึ่งของผู้คนนะเมื่อปีที่แล้วก็มีรายการคนคนคนก็ทํารายการเกี่ยวกับอาจารย์กําพลคนเทตามา ว, ว่านะ เขาการคนที่มีความสุขหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเห็นเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานั้นเนี่ยมันเพียงแค่เกิดขึ้นกับกายกายคิดการแต่ฉันไม่คิจการเขาเห็นเลยว่ากายกับใจนั้นแยกจากกันความทุกข์ทางกายไม่จําเป็นต้องเป็นความทุกข์ทางใจด้วยแต่เพราะความไม่รู้ความไม่มีสติก็ไปยึดเอาความเจ็บป่วยทางกายมาเป็นความเจ็บป่วยของใจเป็นความคิดการของฉันไปด้วย เมื่อเห็นความจริงเช่นนี้ว่ากายกัจัยแยกจากการยึดจิตเราจากความผิการชีวิตใหมายก็เกิดขึ้นกับเขาทันทีคนปกติธรรมดากลับต้องมาปรึกษาหาหรือเอาอาจารย์กัมพลเป็นที่พึ่งทางจิตใจคนบางคนเห็นความสุขที่เกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของอาจารย์กัมพลแล้วบอกว่าถ้าจะให้แลกเอาชีวิตของเขาที่เป็นคนปกติธรรมดา เปลี่ยนมาเป็นคนที่การแต่มีจิตใจอย่างอาจารย์ อ, อับพลเขาขอแรกนะแต่ความจริงคือว่ามันแลกไม่ไดนะ้ชีวิตใครก็ชีวิตมันนะต้องสร้างขึ้นมาเองและสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นนันคือการสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรานะผู้อิาร์เนก็คือว่าชีวิตใหมห่จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะมีอะไรใหม่ๆแต่เพราะว่าคิดใหม่ทาใหม่คราวนี้อาตมาคิดว่า อยากจะอยากจะให้หลักดูห้าประการนะสำหรับการที่เราจะสร้างชีวิตใหม่ใเกิดขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปฝากความหวังไว้กับการมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงสถานภาพ ต, ตำแหน่งแต่อยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองของเราอย่างแรกที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอซึ่งอรตมาคิดว่า แม้จะได้อยู่เสมอแต่ว่าก็ทำกันได้ยากแล้วก็สมควรทำก็คือการมองในแง่บวกนะการมองในแง่บวกหลายคนมักจะพบบนว่าชื่อขงตัวนี้มีความทุกข์ประสบความล้มเหลวต่างๆมากมายแต่ที่จริงแล้วเขาลืมมองไปว่าชื่อของเขาเนี่ยก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชื่อของเขาอยู่ไม่น้อยหลายคนมักจะติดอยู่กับ เรื่องราวที่ไม่ดีแต่ลืมไปว่าเขาก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นลองสังเกตรหรือเปล่าเวลาเงินหายเนี่ยเรามักจะจดจ่ออยู่กับเงินที่หายแต่เวลาเราได้เงินมาเราอาจจะไม่ค่อยสนใจในที่ซ้าเวลาใครตำหนิเราเราจำเขาได้แม่นแต่เวลาใครชมเราเราจำไม่ค่อยได้นะเป็นเพอใจของเราเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันเป็นลบ เราไม่ได้สนใจหรือใส่ใจกับสิ่งที่เป็นบวกมากเท่าไร่หลายคนบ่นว่าลูกของตัวเองนั้นเนี่ยเป็นเด็กเกเรกลับมาบ้านก็จะถามลูกว่าวันนี้ไปทำเรื่องอะไรมาหรือเปล่าแล้วเขาก็มีความทุกข์กับลูกของเขาแต่ว่าที่จริงแล้วเขาถามผิดเขาควรถามหมายว่า ลูกวันนี้ได้ทำอะไรดีๆมาบ้างหรือเปล่านะเรามักจะมีความทุกข์กับลูกของเราเพราะเรามองแต่ว่าเขาจะคอยสร้างปัญหาแต่เราไม่เคยได้มองว่าสิ่งดีๆที่เขาทำก็มีอันนี้ก็เป็นคำถามสาหรับตัวเองด้วยบางคนก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยทำอะไรไม่ไม่มีดีเลยแต่เราไม่ได้มองว่าวันๆหนึ่งจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราได้ทำกับตัวเราพืเหมือนกันแต่เรามองไม่เห็น พระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยท่านเคยเล่าประสบการณ์ช่วงหนึ่งเนี่ท่วงท่านได้ฟังซึ่งน่าสนใจมากคือท่านเนี่ยต้องสร้างวัดเองในประเทศออสเตรเลียซึ่งเพราะว่าค่าแรงแพงพระ น, นี้ก็ต้องลงมือสร้างนะวัดท่านก็มีหน้าที่ก่อกำแพงท่านก็ตั้งใจก่อกำแพงอย่างดีนะเริ่มจากคนไม่รู้ค่อยก่อตนกระทั่งอ่ากำแพงเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อย การกอดแต่ละก้อนแต่ละก้อนทาด้วยความตั้งใจแต่เมื่อทำไปจนเกิดจะเสร็จท่านพบว่ามันมีอยู่สองก้อนที่เลี้ยงไม่เป็นระเบียบไม่สวยเลยท่านไม่พอใจท่านอยากจะทุบทิ้งแต่ก็ทุกไม่ได้เพราะว่าวัดก็ไม่ได้มีเงินท่านบอกในใจตอนนั้นนี่อยากจะระเบิดกําแพงก้อนนี้ไอ้กําแพงอันนี้ซะเลยแต่เจ้าวัดไม่ยอมเมื่อรือย่างหนึ่งว่ามันก็ บูนมันก็แข็งเกินกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็ต้องปล่อยให้เลยตามเลยแต่เวลาที่ท่านผ่านกําแพงที่ไรเนี่ยท่านก็จะไม่มีความสุขเพราะเห็นแต่ก้อนหินอีกอออสองก้อนนี้แหละนะแต่และ ว, วันหนึ่งเนี่ยมีขัตุ ก, กะมาที่วัดแล้วขตุ ก, กะมาเห็นวัดผ่านกําแพงตรงนั้นเสร็จ แ, แล้วก็บอกว่ากําแพงนี้ก่อสวยนะ ท่านพารุนทา่าตัวแย่คืาบอกสวยได้ยังไงคุณไม่เห็นสองก้อนนี่เลยมันไม่สวยเลยไม่เป็นระเบียบเลยเอาาระตุกะก็บอกว่าผมเห็นครับแต่ผมเห็นไอ้เก้า้อยกก้อนว่ามันสวยกว่าว่ามันเป็นระเบียบกว่าพวกเราเป็นแบบนี้บางนึกเปล่าคือเรามักจะไปจดจ่อยอยู่กับอีกสองก้อนมากกว่าที่จะมองไอ้อีกอีก9ก้าร้อ ก้ก้อนที่เหลือสมมติว่ากำแพงน้ำเนี่ยมันมีอีกเีกพก้อนนะเรามักจะจดจ่ออยู่กับก้อน2ก้อนที่ไม่สวยแทนที่จะหันมาชื่นชมหรือใส่ใจกับที่เหลือที่สวยนะเคยมีครูท่านหนึ่งเนี่ยสอนนักเรียนปฐมเนี่ยวันดีคืนดีก็ชูกระดาษแผ่นสีขาวนะ แล้วก็ตรงมุมขวาเนี่ยมีการกรบาทอยู่แล้วก็ถามว่านักเรียนเธอเห็นอะไรนักเรียนทั้งชั้นบอกเห็นการกระบาทครับครูก็ถามว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเห็นไอส้สีสีดำรอยด่างหรือการกระบาทแต่เราไม่สนใจสีขาวเราจะเราจะบอกว่าเพราะมันธรรมดาเกินไปนะ แต่การที่เราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ธรรมดาเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราทุกข์ชีวิตของเราบางทีอาจจะเป็นชีวิตไม่ต่างจากกระดาษแผ่นนี้ก็คือว่ามันมีความราบรื่นมันมีความสุขมีความปกติสุขอยู่แต่เราไม่มีความพอใจกับชีวิตเพราะว่าเราไปเห็นเราไปจดจ่ออ ย, อยู่ไอ้การกระบาดการกระบาดอันนั้นหรือว่าไม่กี่อัน ที่มีอยู่ในกระดาษแผ่นนั้นนะบางครั้งเนี่ยเป็นความจริงว่าชีวิตของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดาษที่มีการกรบาดเพีแค่ไม่กี่อันแต่อาจจะมีการกระบาด10อัน20อันนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราพยายามที่จะมองมาที่ส่วนที่เป็นสีขาวบ้างบางทีเราก็อาจจะเห็นว่าชีวิต้อง เ, เราก็มีความบางเหมือนกัน แต่คนส่วนใหญ่ไปจดจ่อยอยู่ที่กากระบาดเราก็เลยเห็นว่าชีวิตนี้มัหม่น ม, มองเวลาให้ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าชีวิตี้มีแต่ความทุกข์อาตมาเคยทํากิจกรรมให้ทบทวนชีวิตในรอบสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็จัดว่าชีวิตองเราเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันอยู่ในจัดสเกลเนี่ยว่าความทุกข์หรือสุขนี่มีมากกว่กันปีนี้ความทุกข์มีเท่าไหร่แล้วคุณว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์พออาตมาบอกว่า ให้ลองคิดใหม่สิพิจารณาใหม่ย้อนระลึกใหม่ว่าไม่มีความสุขเลยหรือในชีวของเราในแต่ละปีหลายคนก็พูดว่าเออมันก็มีนะแต่ว่าเวลานึกถึงอย่างแรกคิดถึงความทุกข์คิดถึงสิ่งที่ไม่สมหวังคิดถึงความพลาดพลาดคิดถึงความสูญเสียแต่เราไม่ได้นึกถึงสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เป็นประสบการณ์ดีๆในชีวิตถ้าว่าเรารู้จักมองประสบการณ์ดีๆหรือ ห, หาประสบการณ์ดีๆ ในชีวิตคือเป็นคนที่วัยต่อความสุขนะเราอาจจะมองชีวิตของเราเป็นชีวิตของเราในมุมที่สดใสามากขึ้นมีเพื่อนคนหนึ่งเขาอวยพรปีใหม่เขาอวยพร ว, ว่าขอให้เธอเห็นความสุขนะก็ไม่ได้บอกให้เธอมีความสุขนะแต่ก็บอกให้เธอเห็นความสุขทําไมาก็ว่าความสุขมีอยู่กับเธออยู่แล้วแต่เธอไม่เห็นต่งางหากความสุขมีอยู่กับตัวมีอยู่กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเธอ แต่เธอไม่เห็นเพราะเธอชอบไปจดจ่ออยู่ไอ้สิ่งที่เป็นความทุกข์นะแต่ถ้าเราหันมาไวต่อความสุขบ้างเราจะพบความสุขมีอยู่รอบตัวนะมีเรื่อง ก, การมองในแง่บวกนะอันนี้ประการต่อมานี้ซึ่งสืบเนื่องกันคือว่าเราต้องรู้จักหาโชคจากเคราะห์บ้างการมองในแง่บวกก็คือการที่ไม่ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันเป็นลบแต่ว่ามองเห็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับเรา นะแต่ว่าการในด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองในแง่บวกให้เป็นเนี่ยเราจะพบว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแย่เนี่ยมันก็มีด้านที่เป็นบวกอยู่เหมือนกันมีคนมาปรึกษากำมอมหม่อมจกบอกว่าทํายังไงดีก็นะจะเป็นโน้ตเชิญเชิญยึดมั่งทํายังไงดีบ้านตรงนี้ถูกยึดนะต้องวุนมากหม่อมเก็บอกว่า โอ้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้หมดภาระที่จะต้องจ่ายเป็นค่าผ่อนค่าบ้านนะคือการที่บ้านจะถูกพิกดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องมีภาระต้องจ่ายค่าบ้านต่อไปมองดูเป็นเรื่องตลกนะแต่ว่าแต่ว่าที่จริงเนี่ยมันเป็นนี่ไม่ใช่เป็นตลกค่าวเฟแต่เป็นเป็นคำแนะนําในชีวิตจริงนะของของหมังเขาที่เขาไ้ฟยเพื่อนฟังคืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันแม้ว่ามันจะไม่ดีแต่มันก็มีด้านดีของมันอยู่เหมือนกัน หลายคนนะเขาพูดว่าเขาโชคดีนะที่เป็นบัเลังกพวกเราเคยได้ยินไหโชคดีที่เป็นบัเลังนะคแล้วคุณหมโชคดีที่เป็นเอกเมื่อวานเนี่ยตมานะไปไปงานศพของคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนสําคัญมากในการผลักดันเรื่องรับประกรันสุขภาพคุณหมอสมนวน แล้วก็ในงานนี้ก็พิมพ์หนังสือของท่านที่เป็นบันทึกชื่อหนังสือว่าเปลี่ยนมะเร็งเป็นพลังนะคุณมาสมนุนได้เล่าประสบการณ์ของตัวเองขณะที่เป็นมะเร็งปอดนะแล้วก็พูดว่ามะเร็งก็ทําให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตของตัวท่านเหมือนกันทําให้เปลี่ยนชีวิตหันมารู้จักใช้ชีวิต ให้มีชีวิตคนเราใช้ชีวิตแบบไม่มีชีวิตชีวาแต่ว่ามะเร็งเนี่ยทำให้เห็นคุณค่าของชีวิตทำให้หันมาสนใจธรรมะทำให้หันมาแสวงหาความื่นลมในชีวิตแล้วก็เห็นคุณค่าของแต่ละวันที่มีอยู่มะเร็งก็กลายเดินการเป็นพลังที่ทําให้ทํางานนะอย่างไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไป ในประสบการณ์ของเราเนี่ยนะถ้าเราพยายามมองให้เป็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งไอ้สิ่งที่มันไม่ดีมันก็มีด้านดีของมันบางคนเขาตกงานทีแรกก็ทุกเสร็จแล้วก็มาคิดใหม่ว่าเออก็ดีเหมือนกันนะตกงานก็ทําให้ได้มีเวลาอยู่กับพ่อแม่มากขึ้นพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดไอ้ตอนทํางานนี่ไม่มีเวลาอยู่กับพ่อแม่ไม่มีเวลาไปเยี่ยมเลย ตกงานแล้วก็ดีจะได้ไปอยู่กับพ่อแม่มีเวลาอยู่กับพ่อแม่มากขึ้นนะช่วยงานพ่อแม่ท่านแก่แล้วนะต่อไปก็คงจะไม่มีเวลาอยู่กับท่านได้ขนาดนี้บางคนนะบ้านที่เคยใหญ่นะพอเกิดเศรษฐกิจตกต่ำต้องมาอยู่บ้านเล็กก็อมอว่าดีเหนกันนะบ้านเล็กนี่มันไม่ต้องดอูแลมากนะบ้านใหญ่ดูแลเยอะนะื่อกีก็ไม่ได้อยู่ได้ซ้า เด็กคนนึ่งเนี่ยแกเป็นมะเร็งนะแล้วแกก็บอกว่า22ท่า น, นเองแกบอกว่ามะเร็งนี่ทําแกมีความสุขมากในช่วงที่เป็นมะเร็งสุขเพราะอะไรเพราะว่าได้มีโอกาสอยู่กับพ่อแม่อย่างใกล้ชิด ต, ตอนที่ไม่ป่วยเนี่ยพ่อแม่ก็ต่างคนต่างไปทํางานลูกก็ไปเรียนหนังสือแต่เช้าแต่พอเป็นมะเร็งนะพ่อแม่ก็ลา ง, งานมาช่วยดูแลลูกลูกมีความมีความสุข นะสุขใจนะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีขึ้นนะอันนี้คือการรู้จักหาโชคจับเคราะห์คนเรามักกลัวเคราะห์แต่ที่จริงเคราะ์เนี่ยสามารถจะนำสิ่งดีๆให้แก่เราสตีฟจ็อบส์เนี่ยซึ่งเป็นคนผลิ od, นะตไอ o d ดแกเคยเป็นผู้ ผ, ผ, ผู้สร้างก่อตั้งบริษัท Apple ขึ้นมา พวกเราคงรู้จักดีเสร็จแล้ววันดีคืนดีหลังจากที่บริษัทนี้เข้าตลาดหุ้นแกก็ถูกแกซึ่งเป็น CEO ก็ถูกปลดโดยกรรมการบริษัทเป็นความทุกข์นะสร้างบริษัท Apple มากับมือมากับมือเสร็จแล้วก็ต้องถูกปลดแต่5ปีต่อมาแกบอกว่าการที่ถูกปลดครั้งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของแก เขาทาให้มีอิสระที่จะไปสะแสวงหาไปริเริ่มบุกเบิกงานใหม่ๆการที่อยู่กับบริษัทแอปเปลิลมาเป็นเวลา10ปี20ปีเนี่ยบางทีมันตันลงลง่องแล้วก็ต้องเกรงกับความสำเร็จเดิมๆที่เคยทำใช่แต่พอไปรูดจากแอปเปลิลเนี่ยออกไปทำงานใหม่ได้คิดอะไรใหม่ๆที่มันหลดุดกรอบเดิมแล้วก็ไปสร้างบริษัทพิซซ่าขึ้นมา คลิปการ์ตูนแอนิเมชันที่มีชื่อมากเช่น s t o r ตหรื่อะไรต่างๆเยอ น, นะแล้วตัวหลังแกก็แกก็ได้กลับมาทำสร้าง iPod นะชื่อเป็นการแหวกออกไปจากความสาเร็จที่เคยมี iPod เวลานี้ก็โด่งดังมากนะอาตมาไม่เคยใช้นะแต่เขาว่าใช้กันดีเขาว่ามันดีนะตอนนี้ก็จะมีไอโฟนกับแมแล้นะ อันนี้ก็เขาบอกแกวันนีการที่ถูกไล่ออกจากงา น, นล่ออกจากบริษัทที่เกสร้างเนี่ยมันคือสิ่งดีที่เสุนที่เกิด ข, ขึ้นกับชีวิตแกนี่คือคนที่เขารู้จักหาโชคจากเคราะห์เเวลาเราเนี่ยเกิดความไม่สมหวังขึ้นมาในชีวิตแม้แต่เวลาเจ็บป่วยเนี่ยเราลองมองดูซิตั้งสติมองดูซิว่ามันมีดีตรงไหนบ้างอาจจะได้มีโอกาสพักผ่อนอาจจะได้มีโอกาส ทำในสิ่งที่ตัวเองรักศึกษาธรรมะอาจจะ ไ, ได้โอกาสอยู่ใกล้ชิดกั บ, บครอบครัวมากขึ้นนะประการที่3ก็คือนะอาจชื่นชมในสิ่งที่เรามีบ้างคนเราเนี่ยไม่ค่อยชื่นชมในสิ่งที่เรามีเท่าไหร่นะเรามักจะยกตัวอย่างเช่นของชิ้นหนึ่งเนี่ย มีหมอคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังแกอยากแกเห็น p d PDA เครื่องหนึ่งเียราคาสองหมนกว่านะก็ตั้งนาก็รอคอยอุตสาห์เก็บเงินเพื่อที่จะซื้อนะพอซื้อมาได้ก็มีความสุขแต่พอใช้มาสัก 3-4 สเดือนก็เริ่มเฉยเฉยเสร็จแล้วพอเครื่องนั้นเกิดหายขึ้นมา ก็กลับมาเห็นคุณค่าของเครื่องเงีโอ้โหนะมันนึกเสียดายแต่ตอนที่มันอยู่กับตัวเองเนี้ยไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่มันเป็นเป็นอย่างนี้ไหมฮะคือคนเราเนี้ยมักจะดีใจนะในวันแรกที่มีที่ได้มาแต่พออยู่กับเราสักพักเราก็ไม่เห็นคุณค่าของมันแล้วแล้วเรารู้สึกว่าของของเราเนี่ย มันสู้ของของของคนถ่นไม่ได้เราอยากได้ของใหมนะ่แต่เมื่อสิ่งนั้นหายไปเรากลับรู้สึกว่าโอ้อสิ่งที่เรามีนะั้นมันมีคุณค่านะเรามักจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดสิ่งก็เพียงแค่2ช่เท่านั้นแหละฮะก็คือตอนที่ได้มาใหม่ๆกับตอนที่เสียไปแต่ทำไมนะเราไม่รู้จักชื่นชม เห็นคุณค่าในขณ ะ, ะที่ของนันยังอยู่กับเรานี่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับของเท่านั้นนะกับคนก็เหมือนกันตอนที่คบกันใหม่ๆก็จะมีความสุขนะแต่พออยู่กันไปนานๆก็เห็นว่าก็ไม่ใส่ใจกันนะแต่พอเขาจากไปอาจจะหย่า้างหรือเข้าเสียชีวิไปถึงเขาไม่เห็นคุณค่านะ ทำไมเราไม่ไม่รู้จักเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันปีที่แล้วไม่ทราบเคยไลฟ์ฟังหรือเปล่านะฮ ะ, ะคนที่เขาอยากได้กล้องอกล้องดิจิตอลราคาหมื่นนึงเขาก็พยายามไปหาแสวงหามาจนมาทั้งได้ได้รับได้ร้านที่ขายราคาถูกกว่า 7, คือเก็ดีใจเนะี ซื้อกลับมาบ้านแต่พอรู้ว่าเพื่อนบ้านเขาซื้อได้ 5,000 รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันไอ้ที่ซื้อมานี่นะที่เคยยิ้มนี่ขูดไปเลยนะเห็นเครื่องที่ตัวเองซื้อแล้วเนี่ยมันช้าใจนะเราเป็นยิน้มหรือเปล่าเวลาไปเที่ยวนะไปซื้อไปเที่ยวต่างจังวัดเราไปซื้อซูวีเนียที่ระ ล, ลึกมาสองร้นะบาทเราซื้อมาได้150ยห้าสแต่พอกลับมาโรงแรม มาพบ ว, ว่าเพื่อนเขาซื้อได้ร้อยหนึ่งนะเรารู้สึกอย่างไรเราไม่รู้สึกชื่นชมกับของชิ้นนั้นอีกต่อไปเพราะมันมีความเปรียบเทียบ ก, กันมีชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยแกไปแทงหวยนะสองตัวสิบหาบาทแกได้มา6กรอดีใจในาทีแรกแต่พอรู้ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาแทงตัวเดียวกันเ้าแทงมากกว่าเขาได้สองพัน แกเครียขึ้นมาเลยนะนะแทนที่มีความสุขกับรู้สุดแย่ลงแย่กว่าตอนที่ถูกหัวซีนะ่ไม่น่าเลยทำไมน่าจะแทงมากกว่า น, นี้นะอิจฉาเพื่อนต่างๆคือมันจิใจติ ด, ด, ดกายติดใจกลายเป็น อ, อกุศลไปเลยมีความทุกขนะ์นี่เพราะเราไม่รู้จักชื่นชมในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้มาถ้าคนเราก็เป็นอย่างนี้กันนะฮะแต่ถ้าเรารู้จักชื่นชมในสิ่งที่เรามีเนี่ยนะ แม้ว่าเราจะประสบความสูญเสียอะไรไปเนี่ยเราก็หานมาตั้งสติได้เงินเราหายไป6000เงินเราหายไปหมื่นหนึ่งเราทุกข์แต่ลองตั้งสติดูเสียว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่ในธนาคารสิ่งที่มีอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยมันมีมากกว่า น, นั้นเยอะแยะเรามักจะเสียเสียได้กับเงิน2 0 0ส0 0ร้อยเจ็ดแปด้อที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่น มีในธนาคารเปแสนแต่แล้วก็ไ อ, อแสนหรือล้านนั้นเนี่ยมันไม่ทําให้เรามีความสุขเลยแต่เรากับทุกข์กับแค่เจ0ดที่หายไป น, นี่เป็นเพราะเราไม่รู้จักชื่นชมในสิ่งที่เรามีเราไปกัวงวลกับสิ่งที่เราเสียไปคนเรามักจะทุกข์เพราะหนึ่งทุกข์ในสิ่งที่เสียไปแล้วก็ทุกข์ในสิ่งที่ยังไม่ได้มาหรือสิ่งที่คนอื่นเขามีกันนะ เมื่อแล้เมื่อใดก็ตามที่เราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เสียไปเราก็ทุกเมื่อใดที่เราไปจดจ่ออยู่สิ่งที่เราไม่ได้มาเราก็ทุกแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามาจดจ่ออยู่สิ่งที่เรามีความทุกข์มันจะคลายไปมีคนหนึ่งเนี่ยนะแกถูกโกงไป60สล้านนี่เป็นคนไต้หวันเขาก็เล่าฟังวันแรกสองวันแรกก็ทุกข์มากเลยถูกโกงไป60ล้านต่อมาแกก็ได้สติแล้วยังคิดแลังจากนั้นสองสามวันว่า ยังมีข้าวอร่อยอ่อยกินยังมีบ้านอยู่บ้านที่ใหญ่โตก็เลือกหานะ mm. ยังมียกินอิ่มนอนอุ่นแล้วจะทุกกับมันทําไมไประทุกกับสิ่งที่เสียไปทําไมทําไมเราไม่ชื่นชมในสิ่งที่เรามีที่มันเป็นของตายอยู่กับอยู่กับเราแท้ๆในปัจจุบันแล้วคนเราทุกในเรื่องที่เป็นอดีตกับอนาคตเยอะนะฮะแต่ถ้าเราลองมาให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรามีในปัจจุบันเมื่อจะเป็นชื่อเสียงไมื่อจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นสถานะรวมทั้งคน ที่เรารักนะอย่าไปอย่าไปเสียใจเมื่อเขาตายแล้วนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเราดู่เขาเราให้เวลาที่มีคุณภาพดู่เขานะในขณะที่เขายังอยู่กับเรานะเราจะมีเหตุให้ต้องเสียใจเมื่อเขาจากไปได้น้อยมองในแง่นี้นการที่เรารึกถึงความตายไม่ของเราหรือของเขามันก็ช่วยได้อย่างหนึ่ง เวลาเราเรารู้ถึงความตายเมื่อไรเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีคุณค่าพ่อแม่เพื่อนคนรักที่ยงอยู่กับเราเนี่ยจะกลับเป็นคนจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาทันทีเมื่อเราราลึกว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะไม่อยู่กับเราของที่เรามีเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาทันทีเมื่อเราตระหนักว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องหายจากเราไป เป็นเพราะเราหลงลืมความจริงข้อนี้เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราไปตลอดกาลเราก็เลยไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้เราอยากจะได้สิ่งใหม่ๆมาทดแทนนะแต่ถ้าเรารู้ว่าตำห น, นักว่าจริงเหล่านี้จะอยู่กับเราได้ไม่นานเราจะให้ความสําคัญกับมันมากขึ้นรวมทั้งให้ความสําคัญกับเวลาเวลาแต่ละวันมีค่าเพราะเราไม่เพราะเราไม่รู้ว่า เราจะตายเมื่อไรวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราคนที่เราพบปะในชั่วโมงนี้ในวันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้พบเขามีเพื่อนคนหนึ่งเขบอกว่าเวลาเขาไปไหนเนี่ยเขาจะระลึกไว้อยู่เสมอว่าว่านี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาที่จะได้มาเยืนสถานที่นี้เขาจะให้ความสําคัญแจะชื่นชมกับสิ่งกับสถานที่นั้นมากขึ้นละเอียดขึ้น เวลาเราพบใครพูดกับใครเราเระลึกว่านี่อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้พบกับเขาเราจะมีความนุ่มนวลเราจะทึ่งทะนถนอมความสัมพันธ์มากขึ้นนะเราจะไม่โหดร้ายเราจะไม่โกรธเกลียวเพราะเผือคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คืนดีกันใหม่ได้การคิดเช่นนี้เป็นการคิดประมาท <c oughs> นะแต่ตมาคิดว่าเนี่ยเราลองเราลองทําใจดู ว, ว่า ของชิ้นนี้อาจจะเป็นอาจจะอยู่กับเราได้เพียงแค่วันนี้เพื่อนคนนี้สถานที่แห่งนี้เนี่ยอา จ, จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้พบเข้าได้รู้จักหรือได้ยืนสถานที่นี้วันนี่ย จ, จะเป็นวันสุดท้ายของเรามุมมองต่อสิ่งที่เรามีต่อสิ่งที่เราเป็นอาตมาเชื่อว่าจะเปลี่ยนไปอาตมาได้พูดถึง3อย่างนะซึ่งใกล้ใกล้เคียงกันนะฮะอันที่หนึ่ก็คือการการมองในงแง่บวกไว้ต่อความสุข นะแทนที่จะไวต่อความทุกข์อันที่2คือการจักหาโชคจับครองอันที่3าคือก็คือการมันชื่นชมในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่มีในปัจจุบันประการต่อมานะก็คือการรู้จักให้อภัยนะการให้อภัยเนี่ยนะเป็นสิ่งสาคัญคนเรามีความทุกข์นะ เพราะว่าเรามีความโกรธเรามีความพยาบาทเรามีความเจ็บแค้นปีใหม่มาแล้วแต่ว่าเรายังเป็นคนเก่าส่วนก็เพราะว่ายังมีความทุกข์ความฝังใจเรายังมีความยึดติดกับความเจ็บปวดบางอย่างการไม่ไปจักให้อภัยเนี่ยนะ มันจะกลายเป็นบาดแผลที่คอยกรีด mm hmm. จิตใจของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่นึกถึงและบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่ทุกใจแต่ทุกกลกายด้วยมีคนหนึ่งเนี่ยแกปวดหัวนะปวดท้องความดันสูงเลื้อหลังไปหาหมอเท่าไหร่ mm hmm. ก็ไม่ได้ผลหมอให้ยาไปนะ ก็ไม่มีความคลื่หน้าเท่าไหร่ไปตรวจไปเช็คอาการทางกายก็ไม่มีความผิดปกติหมอนี่แทบจะถอดใจแต่เสร็จแล้วมีวันหนึ่งหมอก็ถามว่าไหนคุณช่วยเล่าประวัติคุณให้หน่อยสิเธอก็เล่าประวัติเธอให้ฟังเสร็จแล้วพอเธอพูดถึงพี่สาวอาการก็ขึ้นความกลัวก็ปรากฏ โกรธพี่สาวที่ว่าไม่ได้สนใจเธอน้อยเนื้อต่ำใจพี่สาวที่ไม่ได้ดูแลใจใสนะ่ไปสนใจคนอื่นมากกว่า น, น้องสาวของตัวก็โกรธนะตอนให้ตัวเองนี่รักพี่สาวดีกับพี่สาวแตพี่สาวไม่ใส่ใจความโกรธน้อเนื่อต่ำใจให้อภัยไม่ได้หมอบอกว่ามีวิธีเดียวที่จะช่วยคุณได้คืวคุณผัดคุณขอโทษแล้วก็ให้อภยัย แม่ขอโทษนะคือให้อภัยพี่สาวซะคนไข้คนนี้ไม่เชื่อสุดท้ายแกก็ไม่ไดปไปหาหมออีกเลยเพราะแกไม่เข้าใจไมไ่เกี่ยวข้องกันได้กันหรอแต่หนึ่งปีต่อมาหมอก็ได้รับจุดหมายจากคนไข้คนนี้บอกว่าตัว น, นี้หายโรคแ ล, ล้วหายป่วยแล้วก็ได้ทําตามคำแนะนำของหมอคือว่าให้อภัยนะพี่สาวคนนี้ บางทีคนที่เราเจ็บช้ำน้ําใจบางทีความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราเป็นโกรธที่โกรธแม่หรือโกรธเพื่อนบางทีอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรารู้สึกผิดกับตัวเองก็ได้บางทีคนที่เราให้อาภัยไม่ได้หรือคือให้ไม่ให้อาภัยตัวเองและสิ่งนี้มันทำมันเหมือนกําบาดแผลที่ ที่ที่ทำร้ายจิตใจตลอดเวลาเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยอาตามาไปจัดอบมรมเชลิญความตายอย่างสงบที่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เราให้แต่ละคนเนี่ยได้พูดได้เขียนในความในใจนกระบวนการมันมีามสมควรใาการจะเขียนความในใจออกมาได้ให้เรานึกถึงคนที่เรารู้สึกผิดที่เราผิดต่อเขาหรือที่เราโกรธเชิญเข้ามานั่งอยู่ข้างหน้า แล้วพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดมีผู้หญิงคนหนึ่งนะก็มีสถ า, าณะดีนะก็เล่าความในใจนะคนที่แกเชิญมาเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกซึ่งยังไม่ทันได้คลอด แล้แกก็เล่าว่านะเมื่อเมื่อสัก30ปีที่แล้วเหตุการณ์เหตุการณ์เมือสาปีที่แล้วนะเมือทั้งที่อายุสิเนี่ยคลอดท้อง6เดือนแล้วก็ประกัว่ามีเลือดไหลามาที่ช่องคลอดคือแกเ็นคนทำ ง, งานหนักมากเป็นคนขยันทํา ง, งานตอนนี้ชอบูก็มีฐานะเร็แล้วหมอก็บอกว่าให้พักที่โรงพยาบาลเธอก็ทําตามหมอสัง่งกลางคืน พอหมอกลับออกจากโรงพยาบาลเธอก็กลับไปทำงานต่อพอเช้าก็กลับมาเข้าโรงพยบาบาลนอนใหม่ให้หมอเห็นทำอยู่2ครั้ง3 2, ง2วัน3วันเสร็จแล้วปรกฏ ว, ว่าแล้วเธอก็ปวดท้องมาเสร็จแล้วพอไปพอไปถ่ายพบว่ามีก้อนเนื้อมนันหลุดมาโชคเลือดเธอบอกว่านั่นคือครั้งแรนและครั้งสุดท้ายที่เห็นลูก และนีคือความสุดผิดที่กอบกินใจของเธอสามสิบปีแล้วนะพอเล่าเนี่ยเล่าไปก็ร้องไห้ไปสืส่สะอื้นไปขอโทษลูกนะยกรู้สึกผิดที่ทําให้ลูกตายนะได้ขอโทษลูกและรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นฆาตกรที่ตัวเองให้อภัยตัวเองได้้นจากที่ได้ขอโทษลูกนะแล้มาเชื่อเลยว่า เมื่อได้พูดเช่นนี้เมื่อได้ระบายชิ้นเมื่อได้ขอโทษแล้วเนี่ยเธอจะรู้สึกดีขึ้นเพราะมีหลายคนก็มาพูดเหมือนกันว่าพอได้ผ่านพอได้ผ่านรายการนี้แล้วจิตใจสบายขึ้นนะแล้วชวงการให้อภัยสําคัญให้อภัยตัวเองสําคัญไม่น้อยกว่าการให้อภยัยผู้อื่นะประการต่อมานีสุดท้ายเนี่ยก็คือการที่จะปล่อยวาง คนเราเนี่ยปล่อยวางด้วยเรื่องต่างๆมากยึดติดด้วยเรื่องต่างๆมากมายนะสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราก็ยึดติดสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราก็คอยเป็นหัวกังวลและอย่างที่อาตมาบอกคนเราเนี่ยมักจะทุกข์ด้วยเรื่อง2เรื่องคือ1ทุกข์เพราะสิ่งที่ผ่านไปแล้วและทุกข์เพราะสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและเนื่องจากชอบมองอะไรในแง่ลบ ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ไปยึดไปติดไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีที่เป็นลบทั้งทั้งที่สิ่งที่เป็นหวกก็มีเป็นห่วงเรื่องลูกเป็นห่วงเรื่องงานเป็นห่วงเรื่องการเป็นห่วงเรื่องอเรื่องเรื่องสุขภาพของตัวเองนะทนั้งทั้งที่สิ่งที่ดีๆก็มีนันพอเรายึดพวกนี้แล้วเนี่ยมันมันมันจะกลายเป็นภาระที่หมักหม แล้คนเรพอยึดเนี่ยไม่ว่าจะยึดเรื่องอไหไก็ตามนะแม้แต่ดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่พอยึดไปนานๆเนี่ยมันกลายเป็นทุกข์เคยมีคนหนึ่งเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องหลายสิบปีมาแล้วเป็น เ, เป็นนาวาเอกเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรญาณวุฒิซึ่งเป็นสังฆราชวัด บ, บ, บวรนิเวศเป็นผู้ประชาราของในหลวของปัจจุบัน นอ้อนที่เป็นลูกศิษย์ของพระสังฆราชเจ้าองค์นี้วันนี้ก็มากราบทูลสีหน้าหม่นมองบอกว่าหนักเหลือเกินหนักเหลือเกินนะสมัยนั้นการเข้าเฝ้านี่เฝ้าง่ายนะสังฆราชหนักเหลือเกินมีเรื่องทุกเรื่องเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องงานการต้บนในเรื่องเรื่องเนี่ยเรื่องความทุกข์ในชีวิต แล้วก็ผู้นหนักมากหนักมากซึ่งพรสงฆราชท่าน ก, ก็นั่งฟังนะท่านก็นั่งฟังเสร็จแล้วก็บอกว่านั่งฟังนานนะ15นาที10นาทีเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าให้ทำอะไรอย่างหนึ่งนะนั่งคุออกเข่าเอามือยื่นมาเสร็จแล้วท่านให้บอกว่าให้ถือกระดาษแผ่นนี้เอากระดาษแผน่นแทบแผ่นเดียวเนี่ยให้ถือไว้เสร็จแล้วท่านก็เข้าไปในตำหนัก หนาทีก็แล้วสินาทีก็แล้วสินาทีก็แล้วยีสนาทีก็แล้วท่านก็ไม่เสด็จกลับมาคนนั้นเนี่ยนาวัยคนนั้นเนี่ยยือนั่งคุกเข่าถือกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยทีแรกก็มันก็สบายแต่ว่าผ่านไปนานๆก็เริ่มเมื่อยนะมือเริ่มสั่นนะผ่านไป3านาทีสมเด็จก็กลับมาท่านก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนาวัยคนนี้บกโอ้หนักท่านบอกหนักก็วางสิ ถือไว้ทำไมนะนี่ท่านสอนท่านสอนอลูกศิษย์คนนี้ว่ากระดาษแผ่นเดียวนี้ถ้าถือไว้ถ้ายึดเอาไว้ก็หนักนะไม่ต้องพูดเรื่ององื่นเด็กบางคนเนี่ยมีสือไม่กิไม่กิไ ม, ไม่กิแบต น, นะยึดมนันแบกเอาไว้คุณคิดถึงเรื่องนี้เนะพื่อลอ ก, ก็ยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่ทนไม่ไหวนะคะ่าตัวตายก็มีนะ แน่ๆเราต้องู้จักปล่อยวางนะเรามาคิดว่า5ประการเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยมองอะไรในมุมที่ใหม่ขึ้นแล้วก็ทําให้เราเกิดชีวิตใหม่ได้แต่ที่พูดนี้เนี่ยยังต้องย้ําว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการทําความดีต้องทําความดีสร้างบุญกุศลมีความเขยื้อนเพียนประกอบด้วย เพียงแค่คิดใหม่อย่างดไม่พอต้องทำใหม่คือการที่เราพยายามสร้างความดีมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลนะมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีความขยันหมั่นเพียรสิ่งนี้มันจะช่วยทำให้เร า, เ, าเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาได้นี่อะไรใหม่ๆไม่ทำให้เรามีชีวิตใหม่จนกว่าเราจะคิดใหม่ทำใหม่นะในลักษณะที่อาตมาว่ามา และสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งทีอ่อยู่ในความสามารถของเราได้ทุกวันนี้คนไทยเราเนี่ยมีทัศนคติอย่างคือว่าหวังลาภลอยคอยโชคหรือหวังทางรักเวลาเราจะเดี๋ยวนี้คนอยากจะรวยเนี่ยมาากัมาจากจะมันจะคิดว่าหรือถามตัวเองว่าทำางไงถึงจะรวยโดยที่ไม่ต้องทำงาน เด็กก็มกักจะถามว่าทำยังไงจะได้คะแนนเยอะๆได้เกรดดีๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเหตุนี้ถามไปทั้งประเทศน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยังไม่ค่อยอยากจะพึ่งความเที่ยงของตัวเองใช้ทางรัฐ ด, ด้วยเห็นุนี้หวยการพ น, นันมันถึงระบาดเพราะเป็นวิธีที่คนเชื่อว่าจะทำให้ตัวเองรวยโดยที่ไม่ต้องเหนื่อย หวยการพนันหรือแม้กระทั่งพึ่งพาสินทรักิ์สินถ้าจาตุคาเรามาเทศก็เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้ถึงความคิดแบบนี้คือว่าทำไมถึงจะรวยแบบไม่มีเหตุผลได้ใช่ไมไม่ต้องทำงนานหนักก็แน่คือว่าร ว, วยด้วยการคอร์รัปชันหรือรวยด้วยการปล้นทีนะ่อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งนะมันเป็นตัวบั่นทอนที่จะเป็นตัวปิดกั้น ทำให้เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตใหม่อย่างที่หวังได้ในปัจจุบันเนี่ยนะเรากำลังเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจนะซึ่งหลายคนกำลังวิตกอาตมาคิดว่าอยากจะให้เรามองในแง่ที่มันเป็นเรื่องดีบ้างด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆจะเกิดขึ้นได้ ก็เพราะคนเราเนี่ยจะถูกความทุกข์บีบคั้นช่วงที่น้ำมันแพงเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยมันเป็นแรงผลักอันนึงนี่ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะผลิตรถนะยนต์ที่มีคุณภาพยิ่งกว่าเดิมได้สมัยก่อนรถคันใหญ่ๆกันทั้งนั้นนะครับเพราะน้มันมันถูกแต่เพราะน้มันแพงเนี่ยนะ ก็ทำให้มีการผลิตรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันขึ้นมาเป็นจานวนมากเทคโนโลยีอย่างต่างพัฒนาขึ้นมากในช่วงที่น้ำมันแพงในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจมันทำให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ห, หลายอย่างบางบาริษัทที่เกิดประสบวิกฤตเศรษฐกิจนะ ไม่มีเงินเขาก็สามารถที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้อย่างเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยได้มีการได้มีหนังสือเล่มหนึ่งออกมาเกี่ยวกับบริษัทบริษัทโทรศัพท์มือถือให้บริการโทรศัพท์มือถือนะเป็นเรื่องของบริษัท d t แทซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจใสสุดท้ายเนี่ย ทำให้เกิดการผลิตนวตัต ก, กรรมใหม่ๆขึ้นมาเกิดแบรนด์อย่างแฮปปี้นะซึ่งเขาคนที่เข า, าเกี่ยวข้องกับแบรนด์นี้เขาเขียนหนังสือออกมาถึงน่าสนใจมากเาจมาคิดว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านเล่มหนึ่งนะสำหรับคนที่ทําในแวดวงธุรกิจซึ่งมันชื่อเห็นว่าให้ความยากลาบากเนี่ยมันทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้น แน่ใจว่าสำหรับเราก็เหมือนกันนะแม้ว่าเราจะกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจนะที่อาจจะน่าเป็นห่วงแต่อยากจะให้เรามองมุมที่มันเป็นความหวังมองมุมที่เป็นบวกอยู่บ้างเหมือนกับเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์แล้วใจเราจดจ่ออยู่แต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องร้ายรเนี่ย เราก็เหมือนมองแต่เราเคยให้ความสำคัญกับข่าวที่นเป็นข่าวดีบ้างไหมอาจจะเป็นเพราะข่าวดีนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์เราก็เลยมองข้ามแต่ส่วนเพราะว่า ใ, ใ, ใจเรานะมักจะจดจ่อยด้วยว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นข่าวที่ไม่ดีข่าวอาญากรรมข่าววิภาวิจารณ์ต่างๆและแล้วก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อ สถานการณ์เนี่ยมันอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงอาตมาิชื่ออย่างหนึ่งที่เราจำเป็นอะไรที่เราเป็นต้องมีก็คือว่าทำใจยอมรับกันให้ได้ทำใจยอมรับถ้าใจเราเลื่องปฏิเสธตีโพยตีพายเนี่ยความทุกข์มันจะคูณสองเมื่อคนป่วยเนี่ยนะถ้าป่วยกายและใจเป็นทุกข์ด้วยเนี่ยอาการหนักกระเดิม มีคนป่วยคนไข้คนค น, นึงเนี่ยนะ ก, ก็ป่วยมานานพอไปหาหมอสุดท้ายหมอก็บอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะจะอยู่ได้ไม่เกิน3มเดือนปรากฏว่า12บวันก็ตายแล้วฮะที่ตายไม่ใช่เพราะมะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเนี่ยมันจะให้ผลนะเต็มที่ก็อีก3เดือนแต่ว่าพราใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ ใจมันไปแบกบเอาไว้ใจไปจินตนาการล่วมหน้าว่าอีกสามเดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะเพียบหนักแค่ไหนรรวงแต่งต่งตงตงางๆมาปฏิเสธไม่ยอมรับก็เลยสุดหนักจนตายภายในเวลาแค่ไม่ถึงสองิาย์ความทุกข์ทางกา ย, ยมันไม่เท่าไหร่น่แต่พอใจเรามันทุกข์ด้วยเนี่ยมันคูณสอง แต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยใจที่วางใจที่ยอมรับใจที่ปล่อยวางความทุกข์มไม่ได้คูณสองนะความทุกข์มันฐานสองเลยนะคนที่ป่วยแต่ทําใจยอมรับความป่วยได้ก็จะมีความสุขกว่าเดิมได้ซ้ำ น, นะอย่างที่ตั ม, มาได้พูดถึงคนที่เขาบอกโชคดีที่เป็นมะเร็งหรือว่าเปลี่ยนมะเร็งให้เป็นพลังนะความทุกข์เขาบรรเทาลงไปได้เยอะ แล้วมันเริ่มต้นจากการที่เรายอมรับยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วเลิกตีโพลตีภายเลอกบนและตั้งสตนะิว่าเราจะทำอย่างไรกับมันยอมรับแล้วอาจจะต้องจำเป็นต้องมีการปรับตัวปรับตัวปรับการใช้ชีวิตปรับการบริโภคสิ่งที่ไม่จำเป็นนะก็ก็งดเสีย ที่จริงอาตมาเชื่อเลยว่าคนชั้นกล า, างอย่างเราและท่านๆเนี่ยน่าจะไม่ต้องซื้อของใหม่เลยไอ้ของที่มีอยู่นี่มันก็มากมายบางทีอาจจะใช้ไม่หมดด้วยซ้ําหลายคนนะเขาพบว่าของที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยที่ไม่ได้ใช้มีเยอะมากแต่แต่ซื้อของใหม่เข้ามาเพราะมันถูกมีเทศกาลราคาถูกหรือว่าเพียงเพราะมันเป็นของใหม่ก็ซื้อเข้ามาซื้อมาแล้วมันกลายเป็นของเก่ามันก็เลยไม่มีเสน่ห์ก็เลยเก็บเอาไว้โดยที่ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ําแต่คนเราเนี่ย นะบางทีแ ม, ไม้ไม่ซื้อของใหม่เลยเนี่ยเพียงแค่ใช้ของเก่าที่มีอยู่คุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ลดลงเพราะของที่มีอยู่เนี่ยแล้วไม่ได้ใช้นีเยอะมากนะจนบางคนเนี่ยต้องเอาไปโลดเอาไปขายเอาไปแจกนะเน่ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยอยไปทุกว่าจะไม่จะมีโอกาสซื้อของได้น้อยลงเพราะถึงแม้ไม่ซื้อเลยนะไปต้องซื้อของที่มันไม่จําเป็นนะฮะถึงแม้ไม่ซื้อเลยเนี่ยคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ลดลง นั่นนี่อา จ, จเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้หันมาชื่นชมในสิ่งที่เรามีเอามาใช้ให้มันอย่างเต็มที่ไม่ใช่คอยไปรอคอย ค, อยความสุขจากสิ่งที่ยังไม่มีหรือไปรอคอยความสุขจากสิ่งที่ใหม่ๆที่จะได้มานี่ตัมมาคิดว่าถ้าเราเริ่มยอมรับแล้วรู้จักปรับตัวเนี่ยการปล่อยวาง เ, เป็นเรื่องง่ายการปล่อยวาง เ, เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นทั้งหมดที่ตัมมากลาวมาเนี่ยนะ อัตามาก็เชื่อว่าถ้าหากว่าทุกท่านได้ลองเอาไปใช้มาอยลางนพกยงแคข้อหนึ่งสองข้อเนี่ยไอชิใหม่เนี่ยมันก็ไม่ไกลเกินเอื่อมนะเราไม่ังเป็นต้องไปชงเงือคอยหาสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพียงแค่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆในจิตใจของเรามีทัศนคติใหม่มีมุมมองที่ใหม่นะแล้วก็บางครั้งก็จะไปต้อง ทำให้ปรับชีวิตของเราให้เป็นไปในแนวทางใ ห, ใหม่ๆด้วยเช่นขยันหมั่นเพียรหรือว่าอดออมมากขึ้นนะชีวิตเราอาจจะดีขึ้นแม้ ว, ว่าเศรษฐกิจมันจะแย่ลงก็ตามนะอย่าเอาชีวิตของเราอย่าเอาความสุขของเราไปผูกติดกับสิ่งภายนอกมากเกินไปทุกวันนี้เราความสุขของเราไปผูกติดกับสิ่งภายนอก การมึงไม่ดีแล้วก็ทุกเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ทุกเพื่อล่วงงานก็ไม่ยิ้มให้เราแล้วก็ทุกเขาไม่ชมเราแล้ก็ทุกเราเอาความสุขของเราไปฝากไปอิงกับสิ่งภายนอกมากเกินไปแล้วอาตมาคิดว่าถึงเวลาที่เราจะแสวงหาและค้นพบความสุขจากภายในจิตใจของเราและสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการที่เราสร้างหรือพัฒนาจิตใจของเรา ให้มีมุมมองที่ใหม่ขึ้นรวมทั้งการพัฒนาให้ใจเรามีส ต, ติมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นถ้ามีสิ่งใหม่ๆในจิตใจของเราอย่างเทียตมาว่ามาเนี่ยรับประกันได้ ว, ว่าชีวิตใหม่เกิดขึ้นไม่ต้องรอให้ปีใหม่ด้วยสามารถจะเกิดขึ้นในวันนี้ในวันพรุ่งนี้ได้เลยสำคัญอยู่ที่ว่าเรากล้า ที่จะทดลองกร้าที่จะเริ่มต้นหรือเปล่าอาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ขอยุติแต่เป็นกรทนี้ก็ขอใหอ้สิ่งที่ได้พูดมาขอให้เป็นอกอยเป็นการสบทบทวนแห่งบุญบุญส่วนที่ทุกท่านได้บำเพ็ญ น, นะเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไม่เพียงแต่มีอายุวันนัสสุขาพลาท่านั้นแต่ว่า สามารถมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีนในจิตใจสามารถที่จะมีสติมีสมาธิมีปัญญามองชืวนตด้วยมุมมองที่ใหม่ขึ้นเพื่อเกิดชีวที่ใหม่เป็นชีวที่มีความสุขเป็นชีวที่เกื้อกูลผู้อื่นอย่างแท้จริงก่อนจมาขอยุติการบรรยายติดเท่านี้ขออนุโมทนาด้วยทุกท่าน